แต่และนาทีแต่และนาทีมันจะช้ามากนั่นสำหรับหลายๆคนที่รู้สึกว่า90วันในช่วงเข้าพรรษานี่เป็นเวลาที่ยาวก็อย่าประมาทเพราะว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วมากถึงตอนนั้นก็พอพรรษาแล้วได้เวลาศึกก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยังไม่ทันจะทําอะไรเลยยังไม่ทันจะได้อะไรเลยก็ศึกสะละก็กลายเป็นว่าเวลาที่ผ่านไป3เดือนอาจจะได้ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่อาจจะได้อย่างมากก็คือเออ ได้ความสงบได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติแล้วก็ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะที่ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิดีโอคอมพิวเตอร์นะให้มารบกวนจิตใจจนไม่มีเวลาเหลือสำหรับเรื่องอื่นอันก็ขอให้ให้ระลึกว่านะเวลาที่เรามีอยู่อีกลางสอกบวันนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่มากเลยเป็นเวลาที่อาจจะรู้สึกน้อยโดยซ้าเมื่อเทียบกับชีวิตของเราทั้งชีวิต แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสเดียวของเราที่จะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้เพราะว่าเมื่อเราศึกไปหรือว่าไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกหลายคนพอศึกไปแล้วก็มานึกเสียดายว่าช่วงที่อยู่วัดไม่ได้ใช้หรือโชวโอกาสอย่างเต็มที่ก็มัวแต่ไปเพลินกับอะไรบางอย่าง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 ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเกิดความสงบสบายใจในระหว่างที่อยู่ที่นี่เท่านั้นเพราะว่าความสงบสบายใจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนคือพอออกจากนี่ไปหรือสึกหาลาเพศไปไปเจอกับบรรยากาศเก่าๆไอ้ความสงบที่ได้มามันก็อยู่ได้แค่4ีหวัน78วันแล้วมันก็ค่อยๆละลายหายไปเหมือนกับว่าไม่เคยได้มาบวชเลยก็มีแต่ว่าถ้าเราใช้โอกาสนี้ในการปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นก็จะยั่งยืน นะเพราะว่าได้หลักได้แนวหรือว่าได้พื้นฐานที่จะไปทําต่อปฏิบัติต่อที่ในบ้านในชีวิตของคาราวาสผู้ครองเรือนทั้งในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องทาความเข้าใจนะว่าการปฏิบัติในพุทธศาสนานเนี่ยมันก็มีหลายอย่างาว่าไปแล้วการให้ทานก็เป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งการให้ทานก็เป็นการปฏิบัติทำการรักษาศีลการใช้ชีวิออยงเรียบง่ายก็เป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่ง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 แล้วก็มีความสุขเพราะว่าชีวิตไม่ยึดติด ก, กับสิ่งของอย่างเมื่อก่อนเมื่อเรารักษาศีลเราไม่ไปเบียดเบียนใครเรารู้จักทวนกระแสกิเลสทวนกระแสความอยากความโกรธในใจจิตใจเราก็เข้าสู่ความปกติได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราไม่ไปเบียดเบียนใครจิตใจเราก็มีความสงบได้ง่ายอันนี้คือการปฏิบัติที่ทรัพย์สีนปฏิบัติที่กายที่วาจาแล้วก็สง่งผลมาที่ใจ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 หรือว่าการภาวนาเพื่อให้จิตเกิดความไม่ประมาทในชีวิตที่เป็นอยู่แล้วก็เรียกมรณสติภาวนานั่นคือการพิจารณามรณสติเพื่อที่คิดถึงความตายจะได้เกิดความตื่นรู้ไม่ประมาทในชีวิตที่เป็นอยู่ในสังขารในสุขภาพในทรัพย์สินในคู่ครองในเวลาที่เหลืออยู่นะนั้นภาวนามันมีหลายอย่างก็แตกต่างกันไปแต่ละวิธีก็แตกต่างกันไปแต่สําหรับที่นี่เนี่ยนะเราก็จะในเรื่องการเจริญสตินะ การเจริญสตินี่ก็ถ้าพูดอย่างเป็นเป็นหลักเป็นฐานคือเรื่องของสติปัฏฐานอันนี้จะพูดถึงเรื่องการเจริญสติก็ต้องเข้าใจนะคำว่าสติสติความหมายพื้นพื้ น, นนะแล้วก็ที่ครอบคลุมก็คือความระลึกได้ระลึกได้จําได้อันนี้ก็สตินะอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าเออเราทํางานหรือดูโทรทัศน์ไปแล้วก็เรารเราระลึกได้จําได้ว่าเราตั้งไฟเอาไว้ตั้งหม้อ น, น้ําเอาไว้ไอ้ความระลึกได้ว่ามีงานที่ต้องทําต่อไปนี่ก็สติ บางคนก็รละลึกได้ว่าเสร็จจากสวดมนต์แล้วก็ต้องไปไปทําธุระที่ครัวหรือระลึกได้ว่าจากธรรมะสวมนต์แล้วก็มีนัดไปคุยกับใครอันนี้ก็คือหน้าที่ของสติระลึกได้ระลึกได้ว่าะนะโม3จบนี่2จบแรกนี้ก็ไม่มีแปลจบที่3าถึงมีแปลอ่านี่ก็สติแต่สติเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ใช่สติปัฏฐานมันจะเป็นเรื่องการระลึกได้ในสิ่งที่เป็นเรื่องนอกตัว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 ใจเราลอยไปแล้วเราระลึกได้ว่ากาลังสวดมนต์อยู่ดึงจิตกลับมาไอ้ตัวที่ระลึกได้ว่ากําลังสวดมนต์อยู่ขณะที่ใจลอยนั่นแหละทําให้จิตกลับมาอยู่ที่การสวดมนต์ตรงนั้นแหละคือสตินั้นสติเราทํางานอยู่หลายครั้งเวลาเราทำวัดสวดมนต์พราะเราเผลอบ่อยแต่เราเผลอแล้วเรารู้รู้ว่าเผลอแล้วก็รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่อันนี้คือรู้กายรู้ใจรู้ว่าเผลอนี่คือรู้ใจนะสร้างจังหวะเดินจงกลมกําลังเดินอยู่อ้าวเดี๋ยวใจมันลอยไปแล้วไปที่บ้านงไปที่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 ก็ต้องให้สัญญาณคนข้างหลังโดดก่อนแล้วต้องโดดไปคนละทิศนะเช่นถ้าข้างหลังโดดซ้ายข้างหน้าต้องโดดขวาถ้าโดดไปทิศเดียวกันก็ตายไอย้พวกนี้เนี่ยต้องมีสติมากเลยเพราะว่าต้องโดดให้ได้จังหวะโดดก่อนก็ไม่ได้โดดหลังก็ตายสติมีแต่มันเป็นสติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนอกตัวซีเยอะคือเป็นเรื่องของการดูเป็นเรื่องของการระมัดระวังเรื่องของความระลึกได้สิ่งที่มันอยู่นอกแต่ว่าสติปทานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่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 เกิดปัญญารู้แจ้งความเป็นจริงของชีวิตได้ไหมมันก็ไม่ใช่เพราะมันจะเป็นเพียงแค่ความรู้จําอยู่เราลึกได้แบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์แต่ถ้าสติปัญญาก็จะตรงมาถึงเรื่องของรู้กายรู้ใจซึ่งละเอียดมากก็คือว่าใจเผลอใจลอ ย, ลอยก็รู้ลูลว่เผลอไปหรือว่าทําอะไรเอามือปัดยุงอ่าก็รู้หมายมันไม่รู้นะปัดยุงเสร็จแล้วตียุงตายเสร็จแล้วถึงค่อยรู้หรือว่ารูปสีสัรเนี่ยบางทีก็ไม่รู้นะอ่ารูปเสร็จถึงค่อยรู้ แต่ว่าพอพอเจริญสติให้ลูกกายบ่อยๆลูกกายบ่อยๆรู้กายที่เคลื่อนไหวไปมารวมทั้งคอยระลึกได้ว่าอ้าวเมื่อกี้เราเผลอไปนะเราลูบหัวเราตบยุงเราไม่รู้เราลืมไปไอการที่ระลึกได้แบบนี้บ่อยๆระลึกได้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกกายได้ไวขึ้นแต่ก่อนนี่ลูบไปแล้วถึงค่อยรู้แต่ตอนหลังนี่ยกมือลูบอ่ะก็เริ่มรู้ทันแล้วอันนี้เรียกว่าตามรู้เวลามือขยับนี่ก็รู้รู้ว่ามือกําลังขยับ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 นะแต่พอตั้งสติอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะอาจจะเผลอหลับไปหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งแต่พอทําไปทําไปทําไปมันจําเจอความง่วงเหงาหานอนบ่อยๆเนี่ยก็จําได้จําได้จําได้แล้วจําได้เร็วขึ้นพอมันพอมันง่วงเอา้ารู้เลยเราลึกได้ขึ้นมาว่าเอา้าง่วงแล้วพอเราลึกได้ขึ้นมาเนี่ยความรู้ตัวก็ตามมาทันทีมันก็ทําให้หลุดจากอารมณ์นั้นได้นี่เรียกว่าเราลึกรู้อารมณ์ตรงนี้นี่ก็คงคล้ายๆกับเวลาร่างกายมันสู้กับเชื้อโรคอะ ตอนที่ร่างกายเนี่ยมันเจอเชื้อโรคครั้งแรกเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจำมันไม่รู้จักมันก็ปล่อยให้เชื้อโรคเข้ามาเล่นงานเช่นไอบบ้างซาบ้างโรคหวัดเนี่ยนะตัวดีเลยเวลามาเข้ามาทีแรกเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่เคยเจอเนี่ยมันจําไม่ได้มันก็ปล่อยให้เชื้อหวัดเข้ามาปล่อยให้พวกไวรัสแบคทีเรียพวกนี้เข้ามาบางทีทําจนเกือบตายนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตายนะภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะจําได้ว่าไอเนี่ยหวัดไอเนี่ย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 เราก็ต้องจําได้อยู่เรื่อยๆแต่จําไม่ได้หมดเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆผ่านเราไอ้ระบบปุ้มกันในร่างกายอาศัยการจำนะสติก็ทําหน้าที่นี้แหละเราจะสู้ออความทุกข์ก็ต้องจําได้ว่าไอ้ตัวอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์ที่ก่อทุกข์นี่มันคืออะไรบ้างความโกรธเป็นอย่างไรความเกลียดเป็นอย่างไรความเผลอเป็นอย่างไรความฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรความงา้อาเนอนเป็นอย่างไรมันมีเยอะนะร้อยแปที่พูดมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ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 ว่ามันต้องอาศัยการฝึกนะคราวนี้เราก็ต้องฝึกนี่แหละก็คือให้เกิดความระลึกได้ระลึกรู้ในกายและใจนะระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ระลึกได้ในภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทําเช่นนี้นะเราก็จะสามารถจะเป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาครอบงันจิตและทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นทีนี้แม้ทั้งอารมณ์ที่ทําให้เกิดความสุขนะเพลินในสุขแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีสติมันก็เพลินในสุขเมื่อเพลินในสุกก็รู้รู้แล้วก็ทําให้วางได้ ต่อไปเมื่อเจอทุกข์กับมันก็ไม่จมในทุกข์คนเราถ้าเพลินในสุขมากมก็จมในทุกข์ในได้นานพอเรารู้ทันนะมันก็วางได้วางได้ในที่ไี้หมายคือว่ามาอยู่กับปัจจุบันคือรู้ตัวรู้ตัวความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่เราก็มีชื่อเรียกว่าสัปพชัญญารู้ตัวทั่วพร้อมแต่บางทีก็เรียกรวมๆกันไปอ่ะเช่นระลึกรู้เนี่ยบางทีเราจะใช้คําว่าระลึกรู้ก็คือรวมทั้งสติสัพชัญญาก็าไปด้วย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 เกิดขึ้นเองไม่ได้ไหมายความว่าฝึกไม่ได้มันฝึกได้จากการที่เราลึกบ่อยๆเราลึกบ่อยๆเหมือนกับเราจะท่องจาคําศัพท์เราท่องจ ule, ําคําศัพท์บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็จําได้เร็วขึ้นบทสวดมนต์นี่มันยาวเหลือเกินท่องไม่ได้เลยแต่ส่วนไปส่วนไปะส่วนแปะมันจําได้ก็คือว่าต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจากการเดินจกกงกรมสร้างจังหวะที่สร้างรูปแบบมาให้แต่รู้ในที่นี้อยากจะย้ําว่าไม่ใช่การเพ่งนะความตั้งใจจะเข้าไปเพ่งเนี่ย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 นกร้องไก่ร้องได้ยินนะเสียงรถผ่านมาได้ยินแต่ว่าระลึกรู้ในความรู้สึกของกายที่เคลื่อนไหวก็ยังรับรู้อยู่นะครูบาจาบางท่านเช่นท่านอาจารย์ปราโ ม, ม่ก็ใช้คําว่าให้ให้รู้กายเคลื่อนไหวเป็นแบ็กกราวด์เป็นแบ็กกราวด์คือว่ามันมันบางๆคือรู้รู้กายแต่ก็ยังรู้ภายนอกได้แต่ถ้าเราไปเพลงเนี่ยจิตมันจะปิดลับเลยนะมันจะไม่รับรู้ภายนอกเท่าไหร่มันจะไปจดอยู่ที่กาย แล้เพ่งจี้เข้าไปคนมาหาบางทีก็ไม่รู้อะ่ะเพราะว่าจิตมันไม่รับรู้ภายนอกอันนี้มันเรียกว่ารู้รู้แบบเพ่งเข้าไหนมากนะตอนที่หลวงพ่อคำเขียนฝึกกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อคาเขียนยังเป็นคารวะอยู่ถ้ามีคราวนึงหลวงพ่อคำเขียนก็ฝึกปฏิบัติอยู่ในห้องหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าถามอยู่ข้างนอกข้างล่างว่าทําอะไรอยู่พ่อก็บอกว่ากําลังปฏิบัติอยู่คือไม่ได้กําลังนอนพ่อก็เทียนก็ถามว่าตรงนั้นเนี่ยเห็นข้างนอกไหม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 ต้องการความสงบวัยๆเนี่ยจะไม่ชอบเพราะว่าจิตมันจะฟุ้งซ่านเยอะหลายคนก็บอกว่าโอ้ไปรับปฏิบัตินี่ฟุ้งซ่านเหลือเกินฟุ้งซ่านกว่าตอนไม่ปฏิบัติอันนั้นถูกแล้วล่ะเพราะว่าตอนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันมีงานอื่นทํามันมีหนังสืออ่านมันมีโทรทัศน์ดูมีงานทำํำจิตะะมันก็ไปเพ่งออกนอกจิตะะมันก็ไปรับรู้แต่เรื่องภายนอกเพราะจิตมันชอบทํางานชอบโดดไปข้างนอกถ้ามีหนังสืออ่านมีโทรทัศน์ดูมีงานทํามันก็มันก็ไม่คิดฟุง้งซ่านหรอก แต่พอไม่มีงานทําไม่มีงานภายนอกทําไม่มีหนังสืออา่านไม่มีโทรทัศน์ ด, ดูไม่มีงานทำํำอา้าวคือนี่จิตมันกระสับกระส่ายมันทุหลนทุลายมันก็ต้องหางานทําก็คือหาเรื่องคิดนะฉนั้นคนที่มาปฏิบัติเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าฟุ้งซ่านน้อยกว่าเวลาปฏิบัตนะิเพราะว่าจิตมันว่างมันว่างงานเกินไปมันก็เลยหาเรื่องคิดก็ต้องทนนะอย่าไปหงุดหงิดให้มองด้วยใจเป็นกลางให้ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นกับ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 อย่าไปถามว่าอย่าไปสํารวจตรวจสอบว่ากําลังคิดอยู่หรือเปล่านะใหม่ๆนี่คนรักปฏิบัตินี่มักจะไปเข้าไปสํารวจตรวจสอบว่ากำลังคิดอยู่หรือเปล่า น, ะา น, น, า น, าานั่นแหละถ้าทำอย่างนี้ก็แสดงว่าจิตมันคิดแล้วให้อยู่กับกายไปถ้ามันไม่เผลอคิดก็อยู่กับกายไปเผลอคิดมาแหละก็ให้รู้มันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเอาเท่านี้แหละนะปฏิบัตินะเป็นขั้นต้นก่อนนะเป็นการบ้าน